ตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชมาเลฟังข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเห็นนั่นมันเริ่มบวดแล้วเห็นอะไรเห็นเทวดานี่แหละเห็นเทวดาจริงๆไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาแต่เห็นด้วยตาใจพูดไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะถูกเขาประบาบัต ด, ด้วยอบัตใดอบัหนึ่งหรือเปล่าเข้าข่ายการอวดคุณวิเศษ ที่มีหรือไม่มีในตนนี้ยกไว้ก่อนหลหแต่มันเห็นจริงๆทำฝั่งมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเอาไว้ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคนใดคนหนึ่งที่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้เราก็เรียกว่าเปรียบสุนวะเป็นเทวดา ถ้าเป็นสามีสามีภรรยาเป็นมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ก็ชื่อว่าเทวดาอยู่กับเทวดาเทพบุตรอยู่กับเทพีดาแต่ถ้าเป็นคนทุศีลไม่มีศรัทธามีแต่ความตรรนีแล้วก็เป็นคนกล่าวเนื่องก็เหมือนซากศพแต่ทั้งสามีภรรยาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับซากศพอยู่กับซากศพแต่ถ้าภรรยาเป็นคนมีศรัทธาศีลจาค้าปัญญา ก็เป็นเทพธิดาแต่สามีเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาทุศีลมีความตระนีเป็นคนขา่าวก็เหมือนกับเทพธิดาอยู่กับซากศพอย่างนี้เป็นตน้นแล้วคุณธรรม4ี่อย่างนี้คือศรัทธาศีลจาระคะปัญญานีย่ยังเป็นคุณธรรมที่ที่จะทําใครสักคนใดคนหนึ่งให้เป็นเทวดาได้อย่างได้พูดถึงเรื่องของเทวตานุสติ แที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะระลึกถึงคุณธรรม4ี่อย่างนีนะ้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้เราเป็นเทวดาท่านผู้ฟังเองตัวข้าพเจ้าเองหรือจะเป็นพระองค์ไหนอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ตามที่จะเห็นว่าใครสักคนใดคนหนึ่งมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเองเป็นผู้มีศีลมีจาระะมีการให้การบริจาคมีปัญญาแล้ว คุณรู้ได้เลยบางคนเนี่ยเขามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาเขามีเทวดาอยู่ในใจของตัวเองเราจะรับรู้ถึงว่าการที่เขามีศรัทธามีศีลมีจากข้มีปัญญาได้อย่างไรเราเห็นเราได้ยินไม่ใช่หูนะที่มันได้ยินไม่ใช่ตานะที่มันเห็นแต่เป็นจิตตั้งหากที่รับรู้ผ่านทางตาผ่านทางหูว่าบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีศีลมีจารามีปัญญาเป็นต้นเราจะรับรู้ถึงความเป็นเทวดาของเขาได้ไม่ได้ดูที่ตาเนื้อของเราท่านฟังดูที่ตาใจของเราใจของเราต้องหากเป็นผู้ที่จะรับรู้ถึงคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ในบุคคลอื่นเขาแสดงกิริยาท่าทางใดออกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงถึงความศรัทธาของเขาเขาพูดจาอย่างใดอย่างหนึ่ง กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาก็ตามที่เราเห็นได้ที่เราได้ยินได้เป็นการบ่งบอกถึงคุณธรรมในใจของเขาเหล่านั้นเหล่านั้นว่าเขามีจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาไหมมีศรัทธาในทางคำสอนของบรรดาชาวหรือไม่เราดูได้เราเห็นได้เรารับรู้ได้อันนี้ไม่ต้องมีเรื่องรับรู้พิเศษใดๆทั้งสิ้นเาตั้งฟังไม่ต้องมีตาทิพก็ได้ เอาตาเนื้อเรานี่แหละเอาตาใจของเรานี่แหละเห็นได้แล้วเรามองดูข่าวก็ได้ถ้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ยังมีคนที่ที่มีศรัทธาอยู่ดูดูแล้วฟังฟั ง, ฟงดูแล้วไม่ใช่ว่าทำมาหลอกหลอ ก, ห, ลอกหรือทําฉับเวยเอาหน้านะแต่ทําจริงๆเราเห็นได้จริงๆความจริงใจของบุคคลผู้นั้นเราเห็นอยู่เรารู้อยู่เราสัมผัสได้อยู่ จะเรียกว่าไม่เห็นเทวดาได้อย่างไรไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าคนเดียวที่รู้สึกได้เห็นได้ท่านผู้ฟังเองก็สามารถรู้สึกได้เห็นได้เหมือนกันว่าคุณธรรมเหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในจิตใจของคุณบางคนที่เป็นจิตใจที่ดีจิตใจแบบนี้เป็นเทวดานะท่านผู้ฟังเป็นเทวดานอกจากนี้คนที่มีความเมตตามีความกรุณา มีมุทิตามีอุเบกขาคุณธรรม4อย่างนี้ก็ยังเป็นคุณสมบัติของความเป็นพรหมพรหมเนี่ยเป็นเทวดาชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีมรรมทญญ่มีคุณธรรมคือศรัทธาศีลจารคปัญญามีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา อยู่ในใจของบุคคลบุคคลนั้นนั้นนั่นแหละคือความเป็นเดวดาในใจของเขาเราจะรับรู้ถึงคุณธรรม8อย่างนี้ได้ก็ด้วยใจของเราเห็นผ่านทางตาเรานี่แหละได้ยินผ่านทางหูเรานี่แหละเราเห็นได้อยู่ทั่วไปโดยเฉพาะ ย, ายิ่งตามสถานการณ์ต่างๆนคือถ้าสถานการณ์มันดีๆทุกคนมีความสุขนะเขาพูดจาดีเราอาจจะเห็น ว่าเขาเป็นคนมีศีลมีศรัทธามีเมตตายอย่างนี้อยู่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในขณะที่มีภรษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นมีความที่ไม่น่ายินดีเกิดขึ้นมีความที่จะต้องมีการสูญเสียมีสิ่งต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะให้พึงมีพึงเป็นแต่บุคคลผู้นั้นก็ยังทรงคุณธรรมคือศรัทธาศีลจารค้าปัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ นี่แหละคือเทวดาจริงไม่ใช่เทวดาจำแรลงมาเฉพาะเวลาที่ทุกอย่างมันดีๆนะบางคนนะท่านผู้ฟังรูปร่างดีหน้าตาสวยหน้าตาหลอ่อรูปร่างงดงามแต่ข้างในเป็นมารก็มีข้างในไม่มีศรัทธาไม่มีศีลตรนีเป็นคนเก่าเมตตากรุณาบุติตาอะไรไม่ต้องพูดถึงนะมีพ่นไฟ พ้นของเ ม, ม, ม็นๆออกมาอั น, นั่นคือลักษณะของมารลักษณะของอสูรในบนสวรรค์นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เทวดาอย่างเดียวก็มีพบอันเป็นที่อยู่ของอสูรมีพบอันเป็นที่อยู่ของมารด้วยเหมือนกันแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถแบบเทวดาเขามีแต่ว่าเห็นผิดนคิดไม่ถูกก็มีเราเห็นได้อยู่ตามทั่วไปนะคุณฟังคนที่รูปร่างหน้าตาดีสวยงามหล่อแต่ว่าจิตใจข้างในเฟะ ก็มีในทางตรงกันข้ามคนที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่จิตใจงดงามก็มีเป็นเทวดาอยู่ข้างในแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบดา่าคนอื่นทําทุสีเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาก็ไม่ใช่แต่แต่ถ้าเขาปรับปรุงตัวได้มีความเป็นเทวดานิดน้อยนิดหนึ่งในใจนั่นก็ดีถ้าเขาทําให้ได้ตลอดใ น, นจิตใจเขาก็เปลี่ยนเป็นจิตใจที่อยู่ในภพภูมิของเทวดาได้ ฉันคุณธรรม4อย่าง4อย่างนี้ทำฟังสอย่างคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อย่างคือเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาถ้ามีในใกล้แล้วให้มั่นใจเลยถ้าผู้นั้นตายไปก็จะต้องไปสู่สวรรค์เน่งเพราะว่ามีใจเป็นเดวดาถ้าส่วนใหญ่ชีวิตส่วนใหญ่ของเขา เป็นผู้ที่มีศรัทธาศีลจารค้าปัญญาชีวิตส่วนใหญ่ของเขาเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามุริษเตาเบกขาเขาไปแน่ที่ดีพบดีเมื่อกายนี้แตกทํำลายไปตัวเราเองก็เหมือนกันแต่ถ้าตัวเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาศีลจารค้าปัญญาเรามั่นใจเลยว่าเวลาที่เราตายไปกายนี้แตกไปเราก็จะไปสู่ที่ที่ดีที่ที่มีคุณธรรมลักษณะนี้อยู่ นั่นก็คือมนุษย์ที่ดีหรือว่าเทวดาตานั้นจะมีพระมาสวดไม่มีพระมาสวดจะจัดงานศพให้ไม่จัดงานศพให้หรือว่าจะตายโหงหรือตายเพราะโรคแ้่ถ้าเรามีคุณธรรม4อย่าง4ี่อย่างนี้เราไปดีแน่ไม่ต้องรอถึงตอนเตายก็ได้เอาแค่ว่าเราอยู่ปัจจุบันนี้ท่านผูฟังถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้เรามีศรัทธาคือความมั่นใจในคําสอนในการตรัสรู้ของพระเจ้า มีศีลเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการที่จะเว้นจากการเบรยียดเบยียนผู้อื่นนี่คือลักษณะของศีลทางวาจาด้วยทางกายด้วยเป็นผู้ที่มีจากค่าการให้การบริจาคมีจิตใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลง ป, ปล่อยวางได้บ้างนั่นคือปัญญามีเมตตาด้วยเห็นสิ่งใดเห็นใครมีความทุกข์เราก็มีความคิดจะช่วยเหลืออนุเคราะ เรได้รับความยากลำบากเราก็มีความคิดช่วยเหลืออนุกอ์เคลื่อง ก, ลอกูลนั่นคือความกรุณาตามฐานะที่ที่เราพอจะทำได้เราได้ประสบความสุขสิ่งใดเรามีความยินดีด้วยมีมุทิตาสิ่งใดเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเจอความทุกข์ความไรมากระทบบ้างเราก็อุเบกขาได้ทาใจเป็นกลางได้ทาใจให้วางเฉยได้ไม่เดือดร้อนไม่กระฟัดกระเฟียด แตดงความโกรธความกัดเคืงไม่ร่าให้คําครนทุบบกชกตัวแต่เป็นผู้ที่ยังมีความอดทนพอที่จะทรงสติสัมปชัญญะอยู่ได้บางนั่นก็คือมีอุเบกขาคุณธรรมที่เรามีในปัจจุบันนี้ท่านฟังจะทําให้เราแม้เรายังไม่ต้องตายเรายังอยู่ในปัจจุบันเราก็ยังมีความสุขอยู่ในธรรมคุณธรรมเหล่านี้ได้ต่อให้เราใกล้สะตาย นะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเยือนเราก็ายังมีความผาสุกในใจของเราอยู่ได้ความทุกข์ทางกายมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมกายกับใจเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทางใจให้ดีแล้วกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งอย่างที่เคยได้พูดอยู่เป็นประจำว่าเหมือนกับใบบัวกับน้ำํำนะความทุกข์ทางกายถูกต้องเหนะมือนน้ามาถูกกับใบบัวใบบัวคือใจหนะใจเราไม่ได้ถูกความทุกข์นั้นครอบงำกลุ้มรุมอยู่ แตว่ามันมาครอบประตูเราก็รู้เราก็รับรู้ได้แต่เราก็ยังมีความที่สุขในใจอยู่ได้รู้จักอุบายในการที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาเหล่านั้นได้บ้างในด้ยการที่หาความสุขในภายในในยังเมตตาเนี้ยกุฎณาพุทธตาเบกขาเนี่ยจะทําความสุขในภายในให้เกิดขึ้นในจิจของเราได้แน่ศีลก็เป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีปิติมีประโมท มีความสุขในใจศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพรุทธเจ้าเรามาศึกษาดูพิจารณาดู ด, ดีๆจะเกิดความร่าเริงบันเทิงในธรรมขึ้น ใ, นในใจของเราได้การให้การบริจาคถ้าเราทําใหนะ้ความสุขจากการเป็นผู้ให้เกิดขึ้นได้นะปัญญาเรามีความมีปัญญาในการที่จะปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางของหนักจใจใจเราเบาขึ้นมาได้ และไม่ว่าจะมีภรษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอย่างไรมากระทบใ น, นปัจจุบันนี้เรามีความสุขจากคุณธรรม4อย่าง4อย่างนี้เทวดาวมีอยู่จริงตามฝั่งเทวดาวมีอยู่จริงกับเจ้ายืนยันด้วยคุณธรรม4อย่างนี้ซึ่งเรายังเห็นได้อยู่โดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่คับขันสถานการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลมอาจจะมีเทวดาวอุบัติขึ้นณนะขณะนัน้นได้ อาจจมีเทวดามาปรากฏตัวในสถานการณ์นั้นได้อย่างเช่นว่าคนที่ป่วยเป็นโรคหนักๆที่ใกล้จะตายแต่ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยนตที่เป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเป็นความป่วยอย่างหนึ่งนตที่มันเปลี่ยนเซลล์ที่ดีๆเนี่ยให้เป็นเซลล์ที่ไม่ดีเหนื้อเปลี่ยนของดีให้เป็นกล่องที่ไม่ดีเปลี่ยนของที่ทํางานได้เป็นกล่องที่ทํางานไม่ได้ ถ้าฟังอาจจะยังไม่รู้เรื่องมะเร็งครับพเจ้า จ, จะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับสนิมอย่างนี้ก็ได้สนิมเหล็กเนี่ยจะเปลี่ยนเหล็กที่ดีๆเนี่ยให้เป็นสนิมซึ่งมันใช้งานอะไรไม่ได้รับน้ําหนักก็ไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติความแข็งความทนทนที่จะใช้งานอะไรได้มีแต่ผุกร่อนผุกรไปสนิมเกิดที่เหล็กแล้วก็เปลี่ยนเหล็กให้เป็นสนิมเหมือนการมะเร็งเกิดที่เซลล์ของร่างกายธรรมดานี่เอง เปลี่ยนเซลล์ของร่างกายนะให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะหรือมันไอ้ที่มันไม่ดีมันโตขึ้นมาอีกมันเบียดบังสิ่งที่ดีทําให้มันทํางานไม่ดีเกิดขึ้นมามะเร็งมันก็กินอวัยวะนั้นอวัยวะนี้ไปใช่ไหมแต่ว่ามันกินใจเราไม่ได้หรอกละสิ่งที่จะกินใจเราได้ไม่ใช่มะเร็งนะมีคนเคยพูดว่ามะเร็งนกินทุกอย่างนะกินอวัยวะกินตับกินกระดูกกินปอดกินบ้านกินรถก็ได้ทําไมง ก็ต้องขายบ้านขายรถมาจ่ายค่ารักษาอันนั้นเป็นนัยยะทางที่เขาคิดกันไปแต่แมะเร่งเนี่ยกินได้แค่ของภายนอก อ, อวัยวะเราอย่างมากที่สุดแต่มันไม่สามารถกินใจเราได้สิ่งที่จะกินใจเราได้นั่นคือกิเลสกิเลสเนี่ยมีลักษณะเหมือนสนิมเหล็กเกิดขึ้นที่ใจกัดกรอนกินหัวใจของเราให้มันอ่อนกำลังลงให้มันท้อแท้ท้อถ อ, อ, อยให้มันหมดกาลังใจ เวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กก็ตามปัญหาใหญ่ก็ตามปัญหานั้นอาจจะแก้ได้ปัญหานั้นอาจจะแก้ไม่ได้เป็นทางที่ไม่มีทางเลือกอื่นๆแตนะ่สิ่งนั้นอยู่าย น, นอกตอนนั่นเองแต่มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยถ้ายังไม่พ้นจากตัณหาไม่พ้นจากอวิชชาจะเกิดกิเลสความไม่สบายใจความท้อใจความกังวลใจความ วุ่นใจความไม่สบายใจขึ้นมาซึ่งความท้อใจกังวลใจวุ่นใจไม่สบายใจขึ้นมานี่มันเป็นอาการของกิเลสตั้มฟังที่มันจะมากัดกินบอนกินหัวใจของเราให้ไม่สบายให้มีความทุกข์เรื่องนี้ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้นที่มีในสมัยพุทธกาลก็มีตั้ฟังมีสมัยหนึ่งที่พระชาประสเด็ิโกรศ น, นั้นได้ชูญเสียนางม ล, ลิกาเทวีซึ่งเป็นภรรยานี่แหละ เป็นมเหสีที่ที่รักมากทีเดียวพอนางมริกาเทเวีตายไม่รู้ตายด้วยโรคอะไรแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นยังมีมะเร็งหรือเปล่าเอาเป็นว่าตายก็แล้วกันนาะตายเสร็จแล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เศร้าเสียใจมากนะถูกกิเลสกินหัวใจนะศัพท์ที่ใช้ในสมัยนั้นก็คือถูกลูกสอนคือความโศกทิ่มที่หัวใจให้เราแล้วนะมันเจ็บมากพระเจ้าเปรตที่โกศลนี่เสียใจมาก และนี่คือเหตุการณ์นหนึ่งที่รพระเจ้าเปรียที่โกส้นเสียใจเพราะว่านางมาริกาเทวีนั้นที่บ่งคต ค, คือตายไปมีพระราชา อ, องค์หนึ่งเหมือนกันในที่เสียมเห็สีของตัเองนั่นคือพระราชามุญทะเสียมเหสีก็คือนางพัทธาราชเทวีก็ตายนพระนางพัทธาราชเทวีตายพระเจ้ามุญทะก็เหมือนพร ะ, พระเจ้าเปรียญที่โกลนั่นแหะเสียใจมาก ทั้งสององค์นี้เสียใจจากการที่คนรักของตัวเองตายมีความโศกในเป็นดังลูกศรทิมแทงเข้าไปในใจเสียใจมากขนาดที่เรียกว่ากินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับร่างกายก็สูบผอมเศ้าหมองเขาเอาดนตรีอะไรมาเล่นให้ดูให้ฟังก็ไม่สนุกสนานมองไปที่สิ่งสวยงามสาว บ, บัวหรือว่าทิวทัศน์สวยงามไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ ไม่สนุกสนานตนะตัวร่างกายก็ไม่ได้แต่งตัวให้ดีแตนะ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าไม่ทาหน้าแต่งตัวละ่ะไม่แต่งหน้าทาปากแตนะ่แต่งตัวมอมอซ้อๆ้อแพนะระราชาก็ต้องแต่งองค์เครื่องของพระราชาก็ไม่แต่งนะก็เรียกว่าเป็นสังกตายไปแลนะมีความโศกเป็นกำลังถูกทิ่มแทงก็ให้ในสมัยนั้นทำยังไงแตนะ่บุคคลที่มีความทุกข์ครอบงาอยู่ตางัง บุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องความทุกข์อยู่จะมีอยู่สองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือว่าจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นถูกความทุกข์ครอบงำแล้วก็ร่ำให้คร่ากรวนรู้โบกโชกตัวถึงความเป็นผู้งุ่นงงคลั่งเพลนะซึ่งในกรณีนี้พระราชาทั้งสององค์นี้จะเป็นประชามุนทะและประชาช ร, รที่โกรธโศนต่างก็ก็ไม่สนไม่สงสนารนงเศร้าโศก ร่างกายตัวอะไรก็ไม่แต่งองค์สงเครื่องให้ดีข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนนอนก็ไม่หลับงานการต้องไปว่าราชการตัดสินความทำนโยบายต่างๆก็ไม่ได้ทำการงานก็ข้างๆเยอะแยะนี่คือความที่ถูกจมปลักอยู่ในความทุกข์แต่ทางออกที่สองที่พระเจ้าสอนไว้ในเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถูกความทุกข์ใดความทุกข์หนึ่งครอบงาแล้ว เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความโศกจากการที่เราสูญเสียสิ่งใดไปหรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจากทุกขเวทนาหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก็ตามทางเลือกที่2ที่จะมีได้ซึ่งเป็นผลของความทุกข์อันที่หนะคือที่จมปลักอยู่ในความทุกข์แล้วก็มีความเศร้าโศกมีความร่ําไห้ร่ำกล่วนมีความงุนงงเพ้ออันที่2ก็คือเป็นผู้ที่แสวงหาทางออกน่าจะมีบุคคลในบุคคลหนึ่งที่ รู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีน่าจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายนอกที่จะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีคนที่งงเนี่ยมึนเนี่ยังมึนงงจากการที่ถูกความโศกเข้าครอบงำแล้วเนี่ยคุณทมไม่รู้จะตัดสินใจอะไรจะทำยังไงอย่างเราเห็นได้นั้นลูกที่เสียพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาที่เสียคนรักไป หรือพ่อแม่ที่เสียลูกเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจัดงานศพยังไงจะต้องทํำยังไงต่อไปออขั้นตอนต่ อ, ตอไปทำอไรมันงงไปหมดมึนไปหมดนั้นตัดสินใจอะไรไม่ถูกพระเาให้ทํำยังไงพระชาให้หาทางออกของความทุกนี้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันต้องมีสักหนึ่งหรือ2วิถีที่ใครคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ จะมารู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีแน่นอนพระเจ้าเปรตที่โกศลอยู่ร่วมสมัยของกับพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาบุคคลที่จะมาสอนให้ได้ว่าจะถอนลูกสอนคือความโศกที่อยู่ในใจนี้ได้อย่างไรพระเจ้ามุนทะเราก็อาศัยมหามาอมตนของตัวเองคือมหาอมาอมานชื่อโศการค มามานี้ก็พาไปหาพระองค์หนึ่งชื่อพระนารท ะ, ะพระนารท ะ, ะก็เทศให้ฟังนะให้อุบายในการที่จะออกจากความทุกนี้เหมือนพระเจ้าที่ให้อุบายในการที่จะออกจากความทุกนี้กับพระเจ้าปเปอร์เซนที่โกศลให้อุบายไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่ามีสิ่งอยู่5สิ่งในโลกนี้นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรมมนุษย์ หรือไกลๆก็ตามจะไม่ได้สิ่งห้าอย่างนั้นคืออะไรคือขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาอาสุนเทพมารบรมสมณพราหมณ์หรือใครๆในโลกนี้ไม่อาจจะได้อย่างที่สองคือขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยไม่ว่าจะเป็นพระรูปไหนที่คุณไปขอก็ให้คุณหาย ไม่ว่าจะเป็นเทวดาองค์ไหนที่คุณบนบานขอให้หายเทวดาองค์นั้นเขาก็ไม่ได้พระองค์นั้นก็ไม่ได้หมอคนนั้นที่คุณขอให้หายขอให้คุณหายหรือขอให้คุณที่คุณรักหายเขาก็ไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรมสมณะหรือพระมามคนไหนจะได้ว่าขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอของที่มีความตายเป็นธรรมดา ว่าอย่าตายเลยขอของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมสมณะหรือพรามใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้เป็นฐานะห้าอย่างที่ไม่มีใครจะได้ไม่มีใครเลยนะทุกฝั่ง เทพเทวดาอะไรที่เราไปบนบานเขาสมณพราหมณ์อะไรที่เขาจะมาดูดวงให้คุณหมอที่เขามีความเก่งการสามารถจบดอ็ อ, ดอกเตอร์มามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเขาก็ช่วยไม่ได้ช่วยว่าของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่ามันจะไม่ตายไม่งั้นมึงก็มีมีคนตายในโลกขอของที่มีความเจ็บไข้เอือหายมันอาจจะหายได้บ้างแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายอยู่ดี สุดท้ายไอายาที่เขาใส่ให้เพิ่มความดันเอาก็ร่างกายมันไม่ตอบสนองเราจะให้ทำยังไงมันก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้ไม่มีใครจะได้คนที่ไม่พิจรารณาเลยทฝั ง, งคนที่ไม่เคยฟังคสงาสั่งพระเจ้าไม่เคยพิจารณาว่าไอฐานะ5้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะได้ในโลกถ้าเขาไม่พิจารณาเห็นแจ้งวัาสัตว์ทั้งปวงเนี่ยที่จะมีการจุติการอุบัต มีความแก่ความอะไรต่างๆนี้ก็จะเจอความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายอยู่ถ้าตัวเองไม่พิจารณาอย่างนั้นก็จะมีความเศร้าโศกมีความลำบากใจมีความร่ำไห้ทุบอกชกตัวมุนงงคลั่งเพ้อข้าวก็ไม่กินอาหารก็ไม่อยากกินร่างกายก็สู้ผอมการงานก็ไม่ทำก็ยิ่งเศร้าหนักลงไปอีกเป็นสองเท่านะพวก ที่เป็นศัตรูเห็นแล้วก็ดีใจดีมันเป็นอย่างนั้นสมน้ำหน้ามันแต่พวกที่เป็นมิตรเห็นอย่างนั้นก็เสียใจไปด้วยคนที่ไม่มีการพิจารณาก็จะถูกลูกศอนคือความโศกเสียบแทงเขาให้กิเลสมันกินใจเราได้ท่านฟังมันกินตรงนี้นมะเร็งมันหยุดที่ตรงกินร่างกายหมดจบเท่านั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันกินหัวใจของเราได้เราจะมีความโศกเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ กิเลสในท่านผู้ฟังทำให้มันไกลออกไปจากใจของเราได้พระพุทาก็ตามเหล่าพระอาหารหันต์ก็ตามเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสกิเลสเกิดขึ้นอยู่แต่มันไกลาจากหัวใจของท่านเหล่านั้นเหมือนกับน้ำที่ถูกใบบัวนั่นถูกกันอยู่แต่มันไกลาจากกันใจเราทำให้มันไม่ถูกต้องกับเจ้ากิเลสเหล่านั้นได้ทำยังไงพระนาระทะหรือพระพุทธเจ้าก็ตามก็ได้แนะนา ให้พระชาติเปร์เซน ท, ที่โกรธสกับพระชามุนทะในการพิจารณาอย่างนี้ว่า5อย่างนี้แหละเป็นของที่ไม่ว่าใครในโลกจะไม่ได้ขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยเราไม่ได้นี่คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันขอของที่มีความแก่ความเจ็บความสิ้นไปความชิบหายเป็นธรรมดาเราไม่ได้เราขอแล้วเราไม่ได้ก็คนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นฐานะที่ไม่มีใครในโลกจะได้ก็คนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเออแล้วเราจะไปเป็นผู้ที่มีความเศร้าหมองสู้ผอมไม่กินข้าวการงานไม่ทามีความไม่สนานเพื่อนเราเขาก็รู้สึกเสียใจไปด้วยศัตรูเราเขาก็รู้สึกดีใจสมน้บหน้าเราเฮอเราจะไปทำอย่างนั้นอยู่ไม่ถูกเราควรจะพิจารณาต่อไปว่า ประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการเคราะมขรวนพวกอามิตที่ทราบว่าเราเศร้าโศกก็จะดีใจไม่มีประโยชน์กับการเศร้าโศกแล้วเขาก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเราก็ไม่ได้จะหายจากไข้สิ่งที่ชีพหายไปนั้นก็จะไม่ได้ดีขึ้นมาสิ่งที่ตายไปแล้วนั้นก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้แก่ลงก็จะหนุ่มขึ้นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เศร้าโศกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ บัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความนั้นแล้วดูฟังย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดเราลองพิจารณาดู ด, ดีความเป็นเหตุเป็นผลมันมีอยู่ตรงนี้คนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เราเศร้าโศกแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์พระเจ้าจึงตรัสตรงนี้เป็นพุทธบทบอกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลไกลย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศก เพราะการกร่ำครวนถ้าพึ่งทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่ได้ไซสก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้เรามีอุเบกขาท่าฟังเรามีอ่เบกขาเรามีเมตตาดีแล้วกรุณามุริตารุเบกขาศรัทธาศีลจารคปัญญาจิใจเราเป็นเทวดาในที่นั้นพนารทะ ก็ได้กล่าวคาถากับพระชามุนทะซึ่งเป็นคาถาเดียวกันกับที่พระรุชาได้ตรัสไว้กับพระชาเปรเซนที่โกศลอย่างนี้ว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการกล่ำกรวนพวกอมิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจก็ค่าวใดบัณฑิตผู้พิจรารณารู้เนื้อความ ไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดกล่าวนั้นพวกอมิตเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตเพื่อได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆประการฉันเฉินเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบําเพ็ญทานหรือเพราะ ประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ดังนี้วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีมาเทศเรื่องเทวดามีอยู่จริงเล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของความโศกที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันมาอย่างไงแต่มันก็เกี่ยวกันมาตามนัยยะที่ว่ามานี้แหละแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจุลปัน